เรียกว่าปฏิปทาสี่คือหนึ่งทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากลำบากทั้งรู้ช้าคือมีอภิญญาช้าสองทุกขาปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติยากลำบากแต่รู้เร็วคือมีอภิญญาเร็วสามสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญา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 ผู้ปฏิบัติธรรมอา จ, จเจริญวิปัสสนาไปได้ทันทีโดยอาศัยสมาธิขั้นต้นเพียงเล็กน้อยและก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุอาสวัคยาญาณที่เป็นจุดหมายแต่ใครจะบำเพ็ญสมถะให้ได้ฌานเสียก่อนเป็นฐานมั่นคงแล้วจึงจเจริญวิปัสสนาก็ได้ความข้อนี้ก็มาชัดขึ้นที่เรื่องปฏิปทาสีนี้ด้วยกล่าวคือท่านแสดงว่าผู้ที่ได้ฌานสี่แล้ว จะมีการปฏิบัติที่เป็นสุขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวกสบายส่วนผู้ที่เจริญอสุภาสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาและมรณะสัญญาเป็นต้นพวกนี้ตามหลักที่ผ่านมาแล้วว่าได้อย่างมากเพียงปฐมฌานหรือเพียงอุปจาระสมาธิจะมีการปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติยากลาบากไม่สู้จำชื่นในระหว่างปฏิบัติ